หปัจญานุโลม 2. ส, สังขยาวานสุทธนยัย31เอเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีแปดวาระอนันตรปัจจัยมีเจดวาระสมานันตรปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสิบาวาระอุปนิสัยปัจจัยมี8ดวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกามปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีสี่วาระอาหารปัจจัยมีเจดวาระ อินทรีย์ปัจจัยมีเจดวาระชาณปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยมี13าวาระนาิปัจจัยมีเจดวาระวิคตปัจจัยมีเจดวาระอวิคตปัจจัยมี13วาระเหตุสภาขณัย อธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระอินตรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ ม aj aj, ัคคัจจัยกับเภทุปัจจัยม ah ีสี่วาระสำปรยุติปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระวิปปยุติปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคัตปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระเหตุขตนาสามสสองปัจจัยห้าคือเหตุสหชาตะ นิสยาอัติและวิคตะมีเจดวาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตาอัญญมัญญานิสยาสัมปยุตตาอัติและวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยาวิปยุตตาอัติและวิคตะ มีสามวาระอวิปากะสีปัจจัยหกคือเหตุสหชาตะนิสียาวิปากะอัติและอวิคตัตมีสี่วาระปัจจัยเจดคือเหตุสหชาตะอญ c h a ญ า, ญญานิสียาวิปากะอัติและอวิคตัตมีสองวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะ ัญญมัญญนิสียวิปากะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคัตะมีสองวาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิสียวิปากะวิปยุตตาอัตถิและอวิคัตะมีสองวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอััญญญมะนิสียวิปากะวิปยุตตาอัตถิและอวิคัตะมีหนึ่งวาระ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 สามสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจชาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัย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 ปัจา ช, ชาตะอาหาระและอินทรีย์ปัจจ ני ยักุทธนยัย35นเหตุปัจจัชชยมี14วาระนะชชารามณปัจจัยมี14วาระนะัธทิปติปัจจัยมี14วาระนะันตรปัจจัชชยมี14วาระนะัสมนานตรปัจจัยมี14วาระนสหจาตะปัจจัยมี10บวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระ ra, นันติยปัจจัยมีสิบวาระอุปนิทติยปัจจัยมีสิบสามวาระ s s ra, นปุเรชาตปัจจัยมีสิบสองวาระ s s ra, นปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบสี่วาระ s s ra, นอาเสวนปัจจัยมีสิบสี่วาระนกรรมมปัจจัยมีสิบสี่วาระนวิปากปัจจัยมีสิบสี่วาระ นอาหารปัจจัยมีสิบสี่วาระนอินทรียปัจจัยมีสิบสี่วาระน้าชปัจจัยมีสิบสี่วาระนมรคปัจจัยมีสิบสี่วาระนสัมปยุตตาปัจจัยมีสิบวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีแปดวาระโนอัติปัจจัยมีแปดวาระโนนัตติปัจจัยมีสิบสี่วาระโนวิคตาปัจจัยมีสิบสี่วาระ โนโอวิคตปัจจัยมี8วาระทุกกนไ น, นาอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี14วาระในวงเล็บยอ่อในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับปัจจนิยในกุศลติกะปัจจนิยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนิยเฮตุทุกกนไน36 นอารามณปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจดวาระนอธิปติปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจดวาระนอนันตระปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนสมาันตรปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสติญปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับเถรุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับเถรุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาเสวะนปัจจัยกับเถรุปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับเถรุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับเถรุปัจจัยมีเจดวาระนอาหารปัจจัยกับเถรุปัจจัยมีเจ็ดวาระ ในอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระนาชานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระนาสามปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนันติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ นวิกขตะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระคัตนานะัอารามณปัจจัยกับปัจจัย5คือเหตุสหาชาตะนิสยาอถิและอวิกขตามีเจ็ดวาระละนะัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระละนะสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปยุตธาปัจใจกับละมีสามวาระละโนวิคตปัจใจกับละมีเจ็ดวาระในมืเอเล็บย่อในมือเล็บพึงจำแนกเหมือนการนับอนุลมปั จ, จนิยะในกุรลติกะอนุโลมปั จ, จนิยะจบ 4. ปัจจยะปัจญจิยานุโลมนเหตุทุกขกันใน37อารมามณปัจใจกับนเหตุปัจใจมีหกวาระ อธิปฏิปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีแปดวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจดวาระสมานันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบสาวาระ อุปน so uh, ิสัยปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีแปดวาระปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระกามปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอาหารปัจจัย กับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสมวาระวิปปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี13าวาระ นัตถิปัจจ hm ัยกับนเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระติกไนอธิปฏิปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระในมุงเล็บย่อในมุงเล็บพึงจำแนกเหมือนการนับปัจจนิยานุโลมในกุสลติกะ ปัจญยานุโลมจบสังกิริทาติกะจบอนุโลมติกะปัจฐานเบื้องตน้นจบ